สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบรรังครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่สองนะครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้เราจะพบว่าหลังจากที่พระเยซูได้ทรงกำเนิดโปร่งได้ทรงกำเนิดที่เบลเลย์เฮมแคนยูเดียนะครับหลังจากนั้นโปร่งก็ทรงหนีไปพำ น, นักอยู่ที่อียิปต์เพราะว่าเฮโรดท่านปรารถนาที่จะฆ่าพระเยซู หลังจากนั้นพระเยซูก็ออกจากอียิปต์แล้วก็กลับมาอยู่ที่นาซาเลต์นะครับซึ่งเป็นบ้านที่พระเยซูได้เติบใหญ่ขึ้นพี่น้องครับพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าร้อและเป็นมนุษย์ร้อยเนะครับเพราะฉะนั้นการเติบใหญ่ของพระเยซู30ปีแรกนั้นเป็นปีแห่งการ ต, ตรียมเมื่อพระเยซู3ขวบนะครับพระเยซูเริ่มใส่เสื้อผ้าที่มีผู้ห้อยที่มุมชายเสื้อซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจเด็กชาวอยุธทุกคน กับผู้ห้อยนี้เรียกว่าชิดชิดนะครับชิดชิดผู้ห้อยแต่ละผู้นั้นมีได้แปดเส้นครับและปมห้าปมเป็นเครื่องหมายของเลขสิบสามนะครับซึ่งพระเยซูนั้นรู้จักกับผู้นี้เป็นอย่างดีครับและชิดชิดนี้มีความหมายว่าหกร้อยซึ่งหมายถึงเลขที่ต้องการเตือนคือหกร้อยสิบสาม ข้อซึ่งเป็นจํานวนบทบัญญัติของชาวยิวครับเมื่อพระเยซูห้าขวบนะครับพเยซูก็ต้องเริ่มเรียนพร ะ, พระกัมพีจากโยเซฟครับก่อนห้าปีนั้นมารีเป็นผู้สอนแต่หลังห้าปีแล้วโยเซฟนั้นเป็นผู้สอนเด็กผู้ชายอย่างพระเยซูได้เรียนนอกบ้านครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่ธรรมศาลานะครับวันนี้จะ เป็นตอนที่สองที่พูดถึงชีวิตในวัยเด็กพระเยซูก็คือเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 10, สิบพรรษานะครับพระองค์จะต้องเรียนมิชนามิชนานั้นเป็นประมวลทำเนียมของคนยิวครับและเป็นหนังสืออธิบายบทบัญญัตินักเรียนที่เก่งๆ เ, เท่านั้นจึงจะได้เรียน ว, วิชานี้เรามั่นใจว่าพระเยซูทรงเรียนได้ครับ และโปรง่งทรงกระตือล้นที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูบังเกิดในแหวนนุษย์หมายความว่าพระเยซูจะต้องผ่านการเจริญเติบโตและพัฒนาเช่นเดียวกันกับเด็กทั้งหลายพัฒน า, นาการของเด็กทุกๆคนพระเยซูต้องการเล่นเด็กทุกคนต้องการเล่นโปรง่งทรงใช้ชีวิตธรรมดาเมื่อโปรง่งทรงเติบใหญ่ขึ้นคนทั้งหลายไม่ยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้ให้ช่วยให้รอด พรเขารู้จักพระองค์ในฐานะบุตรของช่างไม้แห่งนาสล็ตพวกเขาไม่อาจยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระมาสิหารที่พระเจ้าสัญญาไว้นี่เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูทรงกล่าวว่าผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้รับการยอมรับนับถือในเมืองของตนพี่น้องครับเด็กชายชาวยูในครอบครัวเช่นพระเยซูนั้นเราคงจินตนาการได้ว่าโยเซฟนอนอยู่บนที่นอนบุคคลสัตว์บาง ปูลงบนพื้นบ้านส่วนที่ใช้เป็นมุมนอนทั้งครอบครัวจะนอนกองรวมกันที่มุมห้องเวลาอากาศหนาวเย็นนะครับก็จะห่มผ้านวมขนแพะตอนเช้าก็จะต้องม้วนที่นอนเก็บไว้เข้าที่ครับมเมื่อถึงเวลากินอาหารก็จะปูเสื่อในที่ประจำและทั้งครอบครัวจะนั่งรับประทานอาหารที่พื้นไฟที่สําหรับหุงหาอาหารนั้นก็ยังก่อในหลุมที่ขุดลงไปในพื้นบ้านชั้นล่างสุด บางครั้งก็ใช้หม้อดินเผานะครับโดยมีเชื้อเพลิงคือถ่านถ่านไม้บ้างนะครับแล้วก็กิ่งไม้แห้งๆพวกหนามแห้งๆบ้างนะครับหรือมูลสระแห้งนะครับและในครอบครัวของคนยูก็มักจะมีตุ่มหสําหรับเก็บแป้งและน้ํามันมากอกแยกไว้ต่างหากอาหารหลักของทุกบ้านก็คือขนมปังข้าวบาเล่นะครับโม้เป็นแป้งพี่น้องครับนี่คือ ชีวิตธรรมดาๆของช่างไม้ที่เป็นคนยิวอาหารหลักของคนยิวในสมัยนั้นก็จะเป็นพวกผลไม้เช่นองุ่นแห้งมะเดื่อแห้งอินทผลัมซึ่งอยู่ในปาเลสไตน์อาจจะมีถั่วมีผักมีหัวหอมอะไรต่างๆนะครับและมีเนยแข็งแน่นอนและนมเปี้ยวทำจากนมแพะครับครอบครัวที่เขาเลี้ยงไก่ก็จะมีไข่รประทานบ้าง ครอบครัวจนจนเช่นครอบครัวของพระเยซูไม่ค่อยจะรับประทานเนื้อเว้นไว้แต่โอกาสพิเศษเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือชีวิตของพระเยซูในครอบครัวของคนยิวก็คือช่งางไม้โยเซฟนั่นเองพระบิดาบันทึกว่าในตอนที่พระเยซูอายุสิบสองนั้นพ่อแม่ของพระเยซูบิดามารดาโยเซฟมารีนั้นก็ได้นําพระเยซูเข้าไปที่พวิหารปกติแล้วนะครับเด็กชาวยิวเมื่อสิบสองขวบหรือสิสองปีเต็ม เด็กชายชาวยูวทุกคนจะต้องเข้าสู่ธรรมศาลาและประกอบพิธีบามิสวาในพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่เปลี่ยนผ่านจากความเป็นเด็กนั้นเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ครับเด็กที่ผ่านมามิสวาทุกคนเขาจะได้รับกล่องหนังซึ่งเป็นกล่องเล็กๆบรรจุข้อพันกมภีร์ชาวยูวจะมัดกล่องนี้ไว้ที่แขนและที่หน้าผากระหว่างอธิษฐานประจําวัน แเมื่อถึงวัย12ปีเด็กชายชาวยิวทุกคนจะต้องเริ่มรับผิดชอบปฏิบัติตามศาสนาบทบัญญัติซึ่งตนได้เรียนและท่องจำมาตลอด12ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับบทบัญญัติกำหนดนะครับว่าชายชาวยิวทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับที่อาศัยอยู่ในลัสมีไม่เกิน32กิโลเมตรจากกรุงเยรูซาเลม็มชายชาวยิวทุกคนจะต้องมาร่วมพิธี นมัสการาพระเจ้าพิธีปัสคาที่พระวิหารนี้แต่ว่าพี่น้องครับท่านรู้ไหมครับว่านาซเร็์นั้นอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณหนึ่งรยยสิบดกิโลเราจะเห็นได้นะครับว่าแท้จริงแล้วพระเยซูไม่จําเป็นหรือครอบครัวของพระองค์ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาร่วมพิธีปัสคาที่พระวิหารแต่อายุสิบสองปีครับมารดาและบิดาของพระองค์ก็พาพระองค์มาที่พระวิหารนี้ในกรุงเยรูซาเล็ม พิธีกครับเมื่อวานนี้ผมได้ติดแค้างอยู่พังพีข้อหนึ่งครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หกข้อที่สี่ครับซึ่งเป็นข้อพังพีที่เขาจะต้องเขียนไว้อยู่ในม้วนนะครับแล้วก็ติดไว้ตามบ้านตามประตูทั้งหลายที่เรียกว่าเมสซูซานะครับบทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่เรียกว่าเชมาอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติหรือเป็นข้อพังพีที่ชาวอยู่นั้นคุ้นเคยมากที่สุด นะครับผมจานให้พี่น้องฟังนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หกข้อที่สี่โอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวข้อที่ห้าพวกท่า น, จ, นจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคาที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และพวกท่านจงอุตสาสนถ้อยคาเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคานั้นจงเอาถ้อยคานี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านพี่น้องครับขอให้พจะนะ ข้อนี้สำเร็จในชีวิตของพวกเราและในครอบครัวของพวกเราทุกๆคนอาเมน